ม, มีมิตรเยิงเงมีตระกูลตระกูลหนึ่งนะเป็นครวะเป็นเป็นเป็นเครือี่ยพ่อและแม่แล้วก็มีลูกสี่คนนะมีลูกสี่คนทีนี้อยู่ต่อมาก็คือว่าพ่อเนี่ยตายพอตายไปแล้วเนี่ยพ่อเขาไปเกิดเป็นนกอันเนี้ยนกยุงทองนกอะไรนี่เขาไปเกิดแล้ว อยู่ต่อมาก็คือเป็นห่วงเมียและลูกจะรู้ว่าหางตนเองเป็นทองคํำปีกตนเองเนี่ยนียขนเนี่ยเป็นทองคําก็อุตสาหบินมาจากป่ามาเป็นเสร็จก็มาจับที่ขอบหน้าต่างแล้วก็มาบอกว่าเนี่ยเป็นพ่อเนีบอกกับเมียบอกกับลูกต่อไปพ่อจะบินมาหาอย่างเงี้ยวันละปีละครั้งแล้วก็จะถอดขนข น, ขนหางขนอะไร ใ, ให้ให้พ่อเลี้ยงอัต ภ, ภาพ ในปีหนึ่งเนี้ยนะีในปีหนึ่งก็ทําอยู่นี้เป็นเนืองนิดต่อมาลูกทั้งสี่คนก็ได้เรียนได้รับการศึกษานี้พอได้รับได้เรียนได้การศึกษาเบียดเสร็จมาก็เริ่มมีความคิดว่าก็เริ่มคิดแล้วก็เริ่มคุยปรึกษาประชุมกันกว่าการที่เราจะถอดค้นหางอดีตพ่อเนี่ยเพียงสองสามขนเนี่ยมันชักไม่พอแล้วอจากนั้นเลยก็เลยให้อุบายกับแม่ บอกให้แม่แต่งตัวดีๆก็แล้วกันถ้าหากว่าพ่อบินมาใหม่ก็ให้พรเล้าบรมเมสเส่ก็ช่วยกันจับมัดและถอนคนให้หมดเลยเราจะได้มีรับเยอะนี่นะที่สุดจริงๆนกก็ตายนี่สรุปยอ่ยอยๆนี้นะก็โดนอุบายนั้นก็จับถอนจะตายหมดเออถ้าหากเราจะอุปมาโลกใบนี้ก็เหมือนนกยุงทองโดวนั้น ทรัพยากรที่อยู่ในบนป่าเขาลําเนาภายในดินในน้าําเป็นต้นที่เป็นแร่ธาตุเป็นเงินเป็นทองทั้งหลายเหล่านี้ยก็เหมือนกับปีกและขนเป็นต้นของนกตัวนั้นทีนี้ตอนนี้นกตัวนี้ก็ถูกถอนทีนี้สภาพของเราเหมือนเราเรียนความรู้ทางโลกมันเยอะขึ้นยริงแต่ตอนนี้เราระดมพากันกังถอนตอนนี้ป่าก็หมดภูเขาก็หมดในน้ําก็เล่นก็ไปลุยแข่งกัน เจาะใ น, นดินก็หยอกตอนนี้เล่นกันทุกรูปแบบเลยสรุปแล้วว่ตอนนี้นอกเหล่นี้จะตายแล้วมื่วันนี้นี่ไงว่าความโลภของของมนุษย์เนี่ยมันมันมนไม่พอหรอกยกโลกทั้งใบมันก็ไม่พอมันนั่นคือสภาพของความโลภทีนี้ทำองอย่างนี้ก็คือสภาพสังคมก็ถูกบีบรัด้วยการแข่งขันด้วยการที่ว่าจะต้องคิดว่าความสุขคือการมีทรัพย์ การได้ทรัพย์มาบิมเสพมบริโภคทีนี้แล้วก็สภาพของความเครียดความวิตกกังวลตั้งหลายกลุ่มบุคคลเหล่านี้พอรู้ว่าเออที่นี่มีที่ปฏิบัติธรรมแล้วได้ความทุกข์ได้ความบีบคั้นทางสภาพสังคมก็หนึ่งกลุ่มนี้กลุ่มมีปัญหาเข้ามาแล้วเออเคยมีบางที่เนี่ยเปิดรับสมัครแล้วก็ให้กลุ่มบุคคลนี้เข้าไปปฏิบัติธรรมกันผลปรากฏว่า พอเข้าไปเบ็ดเสร็จเนี่ยบางคนก็ต้องต้องอําหมอทั้งโรกจิตเนี่ยไปคอยดูแลเต็มไปหมดคือที่เดินเดินตามท้องถนนกันส่วนใหญ่เนี่ยบางคนเนี่ยไม่รู้เลยว่าตนเองมีภาวะทางจิตทเนี่ ย, ยฉนันมันมีไปก่อนแล้วนี่กลุ่มเนี่ยเยอะไม่ใช่น้อยเลยนี่คือภาวะทางจิตมันมีไปแล้วฉะนั้นเวลาเข้าไปเบ็ดเสร็จก็ไปมีสภาพจิตแบบนี้ขึ้นมาฉะนั้น ยิ่งไปยึดบาง ม, มุมบางกลุ่มขึ้นมาแล้วเนี่ย ก, ก็ไปเลยทียนี้อันนี้กลุ่มก็ไม่ใช่น้อยส่วน อ, อีกกลุนหนึ่งเป็นกลุ่มที่ถูกให้คำสอนที่ที่ไม่ตรงก็ไปยึดโยงการปฏิบัติแล้วก็ไปอีกมุมหนึ่งเลยทียนี้ถ้าถามบอกว่าด้วยการเข้ามาสู่ในศาสนาเนี่ยนะถ้าพระเจ้าสอนอยังไงสิทาตามท่านว่า ถามพระเจ้าในะถ้าสอนเครือหัตผู้ครองเรือนในวุฒิยาจะสอนอยังไงพระเจ้าจะสอนเรื่องทานจะสอนเรื่องศีลใช่ไหมจะสอนเรื่องอนิสงค์ของการให้ทานรักษาศีลแล้วก็จะสอนว่าแม้การเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาที่ได้อานิสงค์จากทานกุศลศีลกุศลมีบริษัทธมีบริวารมากๆอย่างเนี้ยมีทรัพย์สมบัติมีบริวารอย่างเนี้มมมนยมันก็เป็นโทษในการดูแลในการบริหารอย่างไรแล้วก็พูดให้อานิสงค์เนการพลากจิตออกจากกามคือราคาโทสะโมหะ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 นั่นแหละให้ยาผิดออกจากสังสารวัตรไม่ได้หรือปุรณกัสปมะมัคคร ر โคสาละอาชิตาเกศคัมพลสัญชัยเวรพบุตรนิครนนาตะบุตรกลุ่มนี้คือให้ยาผิดนะแล้วกลายเป็นตอของวัตตะไม่สามารถจะถอนตนเองออกจากชาติท า, าทุขยาทุทกข์และมรณะทุก์เป็นต้นได้ ฉะนั้นชาวพุทธขอให้ตั้งศรัท ธ, ธาไว้ในพระเจ้าแล้วฟังคำสอนของพระองค์เถิด อ, อย่าอย่าใช้คำสอนประยุกต์มันจะเป็นการเพิ่มทิฏฐิที่ผิดพลาดความเห็นที่ผิดพอได้ความเห็นที่ผิดเบ็ยดเสก็จะกลายเป็นวิจิตต่อกันถูกการออกจากทุกข์มากขึ้นแล้วก็เราจะติดลมกับความคิดแล้วก็จะถูกความคิดของเราเป็นกรงในการที่จะทาให้เรานั้นน่ะ ร่วมหลงแล้วก็มัวเมาในจังใาแลวว่านี่เป็นอย่า ง, างนี้นะ